ผมก็รู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมก็จะมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรมาพูดคุยให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องการดาเนินชีวิตอย่างไม่ประมาทตามสมควรเก่บเวลานั่งตามสบายๆนะเห็นคนที่ร่างกายไม่ปกติขึ้นมาบนเวที ในลักษณะที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาดูจะพิเศษกับคนอื่นกับเขาหน่อยหนึ่งก็อย่านึกแปลกใจเพราะว่าเวลาเชิญไปไหนก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แหละก็ดูจะทุรักทุเลหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะบางทีก็ช่วยสะกดจิตใจให้บางท่านได้เกิดปรงเขาเรียกปรงสังเวชปรงไม่ใช่ปรงุง ปลงกับปรุงนี่ต่างกันนะปลงนี่มันจิตจะสงบแต่ถ้าปรุงเนี่ยมันจะรุงซ้านก็ไม่เป็นไรอย่างวันนี้ก็ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจันทิพย์ได้ให้เกียรติเชิญผมมาพูดคุยในหัวข้อเรื่องเสี่ยวนาทีแห่งชีวิตมีสติในการดำเนินชีวิตอันที่จริงเรื่องนี้ก็ เกี่ยวกับคนทุกคนไม่ได้เกี่ยวกับผมเปยงคนเดียวหรอกทุกคนทุกคนต้องมีเสี้ยวนาทีแห่งชีวิตเหมือนกันแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันลองย้อนกลับไปดูในอดีตสิเห็นไหมที่ ร, รอดมาได้เนี่ยบางทีคิดถึงเสี้ยวนาทีแห่งชีวิตที่ผ่านมาแล้วขนหัวลุกก็มีนะไม่รู้รอดปากเกี่ว่วฝ่า ก, กามันได้อย่างไรแล้วก็ที่เรารอดอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเราใช้สติ ในการดาเนินชีวิตถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วก็ข้องประชุมนี่ก็เข้าไม่ถูกนะสติไม่ได้พามานะแต่ความคิดพาไปเนี่ยสติพามาเดินเลี้ยวเข้าตรงนี้มาทีดังเลจะเข้าดีหรือเปล่าแต่พอดีปูปัญญามาทันสติดึงปัญญามาทันอ่ะต้องฟังสักหน่อยมาทีอาจจะเล่าอะไรดีๆกลับไปบ้างเนี่ยอันเนี้เราดาเนินชีวิตมาด้วยสติ ซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวทุกๆคนจะต้องมีในส่วนนี้ไอการที่เราใช้ชีวิตที่พิการมานานจงเกิดความชํานาญในการที่จะเคลื่อนไหวตัวเองก็ฝึกเที่ช่วยตัวเองมาเดี๋ยวนี้ยบางส่วนเนี่ยใช้ได้ดีไอส่วนที่พัฒนาไม่ขึ้นมันก็มันก็ไปไม่ได้เหมือ น, นกันส่วนพัฒนาได้ก็มีแล้วจะทำอะไรก็มีคนช่วยแม้กรทั่งการขับถ่ายก็ต้องมีคนช่วยจะไปไหนก็ต้องมีคนช่วยยกจาก เตียงขึ้นมาบนรถเข็นจากรถเข็นขึ้นรถตู้แต่เดี๋ยวก็ยกลงใช่<ล>ไหมต้องมีคนช่วยดูแลแล้วต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ยไปจนตลอดชีวิตเพราะมันประมาทียงเสี่ยวนาทีอีงชีวิตจริงๆนะมันเสี่ยวนาทีแห่งชีวิตจริงๆอันนี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นภาพยนตร์แล้ว <_' S 1> เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเสี่ยวนาทีแห่งชีวิตจริงๆที่เกิดจากความประมาท นี่นั่นคือด้านร่างกายและส่วนจิตใจอะ่ะจิตใจในตอนนั่นกับตอน น, นี้ต่างกันเลยนะตอนนั้นเป็นตอนที่ยังไม่พัฒนาจิตคือเมื่อเวลาเราทราบว่าเราต้องพิการไปตลอดชีวิตเนี่ยปัญหาแรกเนี่ยมันที่จิตใจเลยมันเรื่องความคิดเลยใช่ไหมในยามที่เรามีความทุกข์ไอ้ตัวที่สร้างปัญหาหเกิดความทุกข์มากคือความคิด เนี่ยดูตัวเราเองได้เลยนะเนี่ยความคิดมันทำให้เราพาจิตเป็นทุกข์และเวลาเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยมันคิดไม่ค่อยดีอ่ะใช่ไมมันคิดมองโลกในแง่ร้า <c> ย <oughs> มันเป็นทุกข์มันรู้สึกผิดหวังเนี่ยผิดหวังมากเลยนะตอนอายุยี่สิบสี่ผิดหวังอสิ่งที่เราเคยตั้งใจไว้เนี่ยที่บอกว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง <c oughs> มันไปแล้วแต่ยังไม่ถึงเนี่ย มันก็เลมีสิ่งที่ค้างคาใจมันก็เสียดายอดีตที่มันมันผ่านมาดีแล้วเป็นฐานที่ดีมาแล้วแต่ว่าไปไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงยอดเสียดายเสียดายสิ่งที่ผ่านมามันเปรียบเทียบชีวิตระหว่างอดีตกับปัจจุบันอนดีตนี่มันดีทุกอย่างครบทุกอย่างเลยร่างกายก็ดีหน้าที่การงานก็ดีมีคนรักมีพ่อมีทุกอย่างมันสมบูรณ์น แต่เทียรู้ปัจจุบันนี่ร่างกายเราเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เส็จแล้วมันมีความกลุ้มอกกลุ้มใจงุดหงิดตามธรรมดาแล้วนี่เราเคยใช้ชีวิตที่มีร่างกายเป็นปกติมานาน24ปีแต่มันต้องเสียสภาพนั้นไปเนี่ยมันก็รู้สึกงุดหงิด <c oughs> กลุ้มอกกลุ้มใจแล้วอนาคตเนี่ยจะทำยังไงเออมันไปกังวลถึงอนาคตกังวลถึงอนาคตเราจะทำยังไงคนพิการจะอยู่อย่างไรเนี่ย ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านจากไปใครจะเลี้ยงดูเราโอยิ่งคิดมันก็ยิ่งทุกข์อ่ะคิดตีไยทุกทุกตีจิตมันก็ฟุ้งซ่านคนเราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ใช่เพราะใจสงบนะเป็นทุกข์เพราะไม่ได้คิดนะทุกข์เพราะคิดมากอที่คนบอกว่าเขาฆ่าตัวตายเพราะคิดสั้นคนฆ่าตัวตายไม่ได้คิดสั้นหรอกคิดยาวคิดมากจึงคิดฆ่าตัวตายถ้าคิดสั้นเนี่ยมันคิดปั้บจบเลยเลิกคิด ทำงานในอื่นได้แต่คิดยาวนี่คิดยาวยิ่งคิดมันยิ่งทุกข์งงซ่านผู้เองนี่คิดว่าเราอยากจะเป็นคนบ้าอยากเป็นคนวิจาจริต จ, จะได้ลืมเพราะเราคิดมากคิดวุ่นวายเนี่ยมันจึงลืมเรื่องอดีตไม่ได้ถ้าเราเป็นคนบ้าซะมีโรคส่วนตัวของตัวเองไม่ใช่โรคที่เรากำลังเป็นอยูน่นี้ถึงขนาดนั้นแต่ไม่เคยคิดฆ่าตัวตาย ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เราเป็นเพราะว่าที่แย่ที่สุดในชีวิตแต่ทำไมผมจึงรอดวิกฤต จ, จากความคิดให้เป็นทุกข์ออกมาได้อย่างไรอันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่จะมาแบ่งปันทำไมผมจึงรอดมาจากวิกฤตตรงนั้นได้โดยที่ไม่ฆ่าตัวตายและกรอดมาได้สวยด้วยอันนี้สำคัญเลยนะ hmm. ปัจจัยสำคัญของ การแก้ความทุกข์ในจิตใจนั้นก็คือกำลังใจกำลังใจเนี่ยมันเป็นกำลังแรงให้ใจเราเนี่ยพ้นออกมาจากวิกฤตของความคิดที่เป็นทุกข์ได้กำลังใจนี่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างกับตนเองได้บางท่านสามารถสร้างกำลังใจกับตนเองได้บางท่านสร้างเองไม่ได้ต้องอาศัย ไปเติมกำลังใจจากคนอื่นให้เ้าเติมให้ให้คนรอบข้าให้กำลังใจอย่างผมนี่โชคดีที่มีคุณพ่อมีคุณแม่มีพี่น้องทุกคนเป็นปั๊มเป็นปั๊มจ่ายกาลังใจคอยช่วยให้กำลังใจเราให้กำลังใจเราทุกคนเนี่ยพูดดีกับผมอ่อนโยนมากเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาสำคัญนะ ในยามที่เราเห็นใครมีความทุกเนี่ยเราต้องทำหน้าที่เป็นปั๊มใส่หัวใจกำลังใจให้กับเขาให้กำลังใจเขาอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปเอาถูกเอาผิดกับเขานะตามใจเขาเข้าใจความรู้สึกของเขาโดยการเปรียบเทียบเอาความรู้สึกของเราไปใส่ความรู้สึกของเขาแล้วถ้าเราเป็นอย่างเขาเราจะเป็นอย่างไรนะ เรียนรู้จิตใจเขาเนี่ยโดยสายเอาตัวเราเข้าไปเปรียบเทียบเราจะเข้าใจเขาเป็นทุกข์เพราะนั้นใครก็ตามที่กําลังดูแลคนแก่ดูแลคนไข้ดูแลคนใจน้อยต้องเข้าใจเขาแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดอย่าไปเครียดพูดจาไพเราะหน้าตา ย, ยยยายิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งเหล่านี้ยมีในพ่อในแม่ในพี่น้องผมทุกคนที่มาให้กําลังใจผมทุกครั้งที่เจอเขาจะพูดดียิ้มแย้มแจ่มไม่เคยพูดจา กดดันให้เราต้องเครียดหนักเนี่ยสําคัญมากอย่างคุณแม่นี่เป็นปั๊มแรกที่ให้กำลังใจได้ดีมากเลยคุณแม่นี่ขนาดแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำํำอย่างเมื่อกี้นี้ดูแล้วใช่ไหมแอบไปนอกร้องไห้ในห้องน้ํามาทนดูผมโวยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจะพูดว่าลูกเอ้ยมันเป็นได้ก็หายได้นะะคําพูดเพียงแค่เนี่ย เราก็รู้ว่าเป็นคำปลอบใจแต่เราสบายใจเราก็รู้เป็นคำปลอบใจแต่เราก็สบายใจเพราะคาพูดแบบนี้นะลูกเอ้ยเป็นได้ก็หายได้วันดีกินดีเดี๋ยวพระก็มาปัดเป่านท่านก็พูดกาลังใจเราก็เห็นใจกันอย่างน้องชายน้องสาวพี่สาวก็พยายามหาสิ่งที่เราเคยชอบหาดนตรีมาให้ฟังพูดจาตลกท า, ท, าท่าทาทาง ดูแล้วมันน่ารำคาญแต่เราเราเข้าใจเขาเข้าใจเขาที่เขาเข้าใจตัวเรานะ น, บบนี่แบบเนี้ยเรียนแบบกันไปใช้ได้นะทำหน้าตลกอย่าทำหน้าเศร้าโหไม่น่าเลยเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะต่อไปคงจะแหมไปพูดในสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็เครียดหนักเนยะอย่างคุณพ่อบอกไม่เป็นไรหรอกคุณพ่อนะไม่เป็นไรหรอกถึงเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำตัวให้ดีได้ ทำใจให้ดีได้นะคุณพ่อเนี่ยสำคัญมากผมได้กําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่จากพี่น้องนั้นทุกท่านต้องเป็นตัวอย่างนะมาให้กําลังใจจากคนใกล้ตัวเราก่อนอยู่ใกล้ตัวคนใกล้ตัวนี่แหละคนให้กําลังใจบางทีเขาเครียดเขาทุกข์เขาสงสารเขาอย่าไปติดโรคเครียดโรคทุกข์จากเขามาสู่ตัวเราด้วยอย่าไปติดโรคทุกข์จากเขามาให้กําลังใจ ช่วยอะไรเขาม่ได้ก็ช่วยยิ้มเฉยช่วยยิ้มนี่สบายเลยนะเนี่ยง่ายๆเลยเอาไปเป็นตัวอย่างแล้วเอาไปใช้ดูอันที่สองก็คือพอเราได้กําลังใจแล้วเนี่ยจิตมันมันสบายใจมันเกิดการคิดมันได้ตั้งหลักของจิตใจเริ่มมีความอดทนขึ้นมารู้จักอดทนเห็นไหมได้กําลังใจเราจะอดทนนะไม่ใช่ว่าความทุกข์จะหายแต่ใจเนี่ยมันอดทนขึ้นมา อดกลั้นอดทนกับทุกขเวทนาทางกายอดกลั้นอดทนกับไอ้ความคิดที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราอดทนแล้วก็ฝึกที่จะยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสาคัญนะต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเกิดกับเราไม่มีใครอยากเป็นอย่างนี้หรอกแต่เราต้องยอมรับเมื่อมันเป็นไปแล้วการยอมรับเนี่ยทําให้ใจเรานี่เบาคนเดาเนี่ยเป็นทุกเพราะเราไม่ยอมรับใช่ไหมไม่ยอมรับ เมื่อแม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไปทุกทันทีเลยการยอมรับเนี่ยไม่ใช่ยอมแพ้ยอมรับไม่ใช่ยอมแพ้ยอมรับในขณะที่มันเกิดขึ้นเราตรงนั้นแต่ว่าเราพร้อมที่จะแก้ไขยอมรับแล้วแก้ไขถ้ายอมแพ้เนี่มันก็เป็นทุกข์ไม่ไม่มีการแก้ปัญหาไม่ยอมแพ้คือฝึกที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ฝึกมองโลกในแง่ดี ต้องโมอโรในแง่ดีนะเปลี่ยนความคิดคิดบวก <c ười> คิดไปทางดีไว้ไ <c ười> การคิดไปทางดีทําให้ใ จ, จมันมีความสุขมันมีกำลังใจที่จะเผชิญกับอุปสรรคฝึ ก, กคิดโมอโรในแง่ดีคนที่มีปัญหาเนี่ยที่มีความทุกข์ใจเนี่ยไม่ใชยมอโลรในแง่ดี <c ười> จะคิดทําให้เราเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นนั่นคิดโมอโลรในแง่ร้ายช่วยใจให้เป็นแผลมากยิ่งขึ้น หมอโลดในแง่ดีเขาไว้อย่างผมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยดีแล้วไหนไหนมันป่วยมันพิการแล้วก็มันแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องลาออกจากงานเลยนะเราออกจากงานราช ก, การที่เราชอบที่เรารักเลยออกมาทําใจอต้องนานและยอมรับยอมรับได้ก็ฝึกหมอโรดในแงด่ดีดีแล้วที่เราออกมาจากการทํางานดีแล้วเราเคยใช้กําลังร่างกายมามากมายตอนนี้เราจะพักผ่อน ชีวิตหลอจะมีความสุขกับการนั่งกินแล้วก็นอนกินดีแล้วเราจะได้นั่งกินนอนกินไปจนตลอดชีวิตนะไหนไหนมันมันเดินไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องอาศัยน้ำยอกอาน้ำบ่งไปเลยมันเดินไม่ได้ก็ดีแล้วไม่ต้องทําอะไรเนี่ยมันลาออกไม่มีงานทําก็ดีแล้วไม่ต้องทําคิดหมอลองอย่างเงี้ยดีแต่ก็ไม่ให้มองแล้วจบนะนอนเล่นเฉยไม่ใช่ มันคิดหาทางออกนะเป็นอะไรคิดหาทางออกจากปัญหาเวลาเรามีความทุกเนี่ยเราจะแก้ปัญหาความทุกได้อย่างไรโรคของความทุกเนี่ยมันมียาขนาดไหนมียาขนาดไหนที่จะเอาชนะโรคความทุกข์ใจได้เมื่อทุกข์ใจใช้ยาขนาดไหนเวลาปลวดศีรษะใช้ยาพาราเซตามอล เวลาใจเป็นทุกข์ใช้ยาขนาดไหนใครตอบต้ให้ไปตะวันนะ <c oughs> มีไหม <c oughs> ยาขนาดไหนที่เอาชนะความทุกข์ได้โมฟีนก็ไม่ได้นะโมฟีนได้ชั่วขนาดหนึ่งแต่ก็ทุกข์หนักติดโมฟีนเ พ, เพิ่มทุกข์เพิ่มทท่าไรกับกายเลยก็ธรรมะโอสดงผมเข้าไปในเขื่อนเนี่ยเลี้ยวมาผ่านป้อมยามามีวัดวัดหนึ่งชวัดอะไรนะ โอ้นั่นละ่ะนั่นละ่ะเป็นแหล่งจ่ายธรรมะโอสถเลยไม่เสียงเงินด้วยธรรมโอสถเนี่ยรักษาโรคทุกทางใจได้มันเป็นยาที่ตูกกับโรคเพราะนั้นใครมีโรคความทุกเนี่อย่าทิ้งธรรมะหันเข้าหาธรรมะแต่ไม่ได้เลิกทางานทํางานด้วยก็ได้แล้วก็ไปสนใจธรรมะด้วยก็ได้ไม่เสียงานเนี่ยผมก็อาศัย ธรรมโอสถเนี่ยเป็นยาบาบัดทุกข์ให้กับจิตใจเราดีแล้วที่เราพิการแล้วที่เราไปไหนไม่ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมให้พ้นจากความทุกข์ไปเลยทรรมอาชีพเดียวคืออาชีพดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมธรรมโอสถขนาดไหนมีมากมายแค่เพียงให้ทานยังไม่ได้รักษาศี์ก็ยังไม่ฟอธรรมะขนาดนี้ต้องภาวนาเขาเรียกภาวนา คือการทําจิตให้เจริญภาวนาคือการทําจิตให้เจริญ ไ, ไม่ใช่บ่นพึมพาพึมพำนั่นไม่ใช่นั่นเป็นบริกรรมถ้าภาวนาคือการทําจิตให้เจริญไม่ต้องบริกรรมก็ได้แค่มีสติรู้สึกตัวเนี่ยจิตมันก็จเจริญแล้วนี่คือการภาวนาเห็นไหมโรคความทุกข์อย่างเนี้ยจะต้องอาศัยการภาวนาธรรมะบทเนี่ยเหมาะสมมากเป็นยาที่ถูกกับโรคต้องอาศัยการภาวนา ศีลดับทุกทางใจได้ภาวนานั่นคืออะไรคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติการใช้ชีวิตอย่างมีสติคือการใช้ชีวิตด้วยการภาวนาไม่ได้พูดถึงวัดไม่ต้องเข้าวัดก็ได้พูดถึงนะเนี่ยอยู่กับแดงง้างเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างผมเนี่ยเป็นตัวอย่างของความทุกข์ที่เกิดจากความคิดที่มันปรุงแต่งคิดให้ใจเป็นทุกข์ จำเป็นต้องมีการเจริญสติเจริญสติภาวนาเพราะว่าเวลาเราคิดมากเนี่ยมันก็ปรุงแต่งออกไปทรงจิตออกนอกนี่ยสงจิตไปรังอดีตมากทรงจิตไปอนาคตมากไม่อยู่กับปัจจุบันเห็นไหมคนมีความทุกขไม่ได้มีชีวิตอยู่ปัจจุบันเลยคิดถึงเรื่องอดีตที่มันค้างคาใจวิตกวกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงชีวิตปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกตัว เวลานั่งอยู่ก็ไม่รู้จิตใจเลือ่อนลอยเวลาทํางานก็เผลอปล่อยใจเลือ่อนลอยไม่ได้อยู่กับแดนงานงานจะเสร็จไหมเนาะเสร็จแล้วมันจะเป็นไงบ้างเนี่ยไม่อยู่กับการทํางานอันเนี่คือทุกคนเนี่ยใจมักจะเลือ่อนลอยออกจากแดนงานการทํางานคือทําด้วยความเคยชินทําด้วยความเคยชินเพราะเคยทําก็ทํำได้เรื่อยแต่ว่าใจไม่อยู่กับแดนงานผมก็เช่นเดียวกันนะใจมัน ไปอนาคตไปอดีตไม่อยู่กับปัจจุบันที่จริงปัจจุบันเนี่ยมันทุกข์มันก็มากอยู่แล้วทุกข์มันไม่พอก็เลยต้องเอาอดีตอนาคตมาทับถมให้ปัจจุบันเป็นทุกข์อีกเพราะฉะนั้นเวลามีความทุกข์มากเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่เพาะอยู่ในปัจจุบันอย่างเดียวเราเราไปส่งจิตไปในอดีตอนาคตไปดึงความทุกข์ความกังวลมาทับถมจิตใจใทุกข์หนักยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ยุติธรรมกับใจเราเองการเจริญสติ คือการทำความรู้สึกตัวละลึกได้สติว่าระลึกได้รู้สึกตัวว่าเรากาลังทำอะไรกำลังพูดอะไรกำลังคิดอะไรสติผูกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแทนที่จิตจะปรุงแต่งไปกับความคิดความโลภความโกรธความหลงความอยากความไม่อยากจิตมันหลไปกับลมแบบนั้นเลยมันก็ล่องลอยไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ <c oughs> แต่สติสามารถคุกิ้มให้อยู่กับเนื้อกับตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคิดอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมคือการมีสติคอยพุกเอาไว้คือการย้อนกลับมาดูตัวเราย้อนกลับมาดูตัวเราเพราะสายการใช้ชีวิตแบบย้อนกลับมาดูตัวเราอยู่เรื่อยๆในแต่ละวันจะกินจะนอนก็ให้รู้สึกจะดื่มน้ำก็ให้รู้สึกจะพลิกไว้ เคลื่อนตัวไปมาก็รู้สึกสมัยก่อนเวลาจะพลิกตัวต้องอาศัยคุณแม่นะช่วยพลิกตัวให้ช่วยตัวเองไม่ได้แต่ระยะต่อมาแล้วก็ช่วยตัวเองได้เนี่ยทาราวไว้ข้างข้างามือขวาเนี่วราวแล้วก็พลิกตัวเองได้อย่างรู้สึกตัวเมื่อก่อนแปลงฟันทานข้าวเองก็ยังทําไม่ได้ใหม่ๆต้องป้อนต่อมาฝึกฝึกจากมือที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยฝึก ับช้อนอินข้าวมือที่หงิกงองเนี่ยฝึกเขียนหนังสือการกระทัน ท, ทุกอย่างการพักประหม่มการจัดข้าวของรอบๆเตียงรอบที่นอนเราฝึกอยู่แค่นั้นละแล้วก็เติมสติลงไปกับการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ไปอยู่ที่วัด <g aren> รู้สึกตัวอยู่กับชีวิตปัจจุบันนะจิตมันก็อยู่กับเนื่อกับตัวเนี่ยแทนที่จิตมันจะเลื่อนลอยไปกับอดีตอนาคตเป็นทุกข์ ใจเราไปทุกข์เพราะเรามุ่งไปกับความคิดที่มันไหลไปกับกิเลสแต่กลับไปอยู่กับตัวปั๊บเนี่ยจิตมันเริ่มผ่อนคลายสติทําให้เกิดสมาธิทําให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นตัวปัญญาเมื่อจิตมันไม่ปรุงแต่งไปในอารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตมันก็ผ่อนคลายก็มีความสุขนะมันก็สงบเองโดยธรรมชาติที่เราใช้ชีวิตยอย่างมีสติรู้อยู่ในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ พอจิตมันไม่ปรุงแต่งไม่ถูกความคิดรบกวนเนี่ยจิตมันก็ผ่อนคลายมันก็มีความสุขในปัจจุบันไม่ได้ไปแสวงหาความสุขที่ไหนนอนปฏิบัติเจารสติอยู่บนเตียง <c oughs> ก็มีความสุขมีรอยยิ้มนอนหลับสบายเลยแต่ก่อนนอนไม่หลับเพราะถูกความคิดรบกวนแต่พอมาปฏิบัติทาํามัจจสติแล้วมันนอนหลับสบายนอนหลับสบายเนีพยรอยยิ้มได้ คนรอบตัวก็มีความสุขอ๋อเนี่ยเราเป็นตัวสําคัญนะเราคนรอบตัวจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นสำคัญเพอเรายิ้มได้โรคมันก็ยิ้มกับเรานะคนรอบข้างก็ยิ้มกับเราทั้งหมดแล้วก็มีความสุขด้วยกันซึ่งต่างกับเมื่อก่อนเรามีความทุกข์มากแต่เรามาฝึกมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามีความสุขคนรอบข้างก็พลอยมีความสุขไปด้วยโดยที่ไม่ได้ไปแสวงหาความสุขที่ไหน คนพิการไปไหนไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านก็มีความสุขได้แล้วก็ไม่อยากจะไปไหนเลยอันนี้เป็นผลมันเกิดความรู้แจ้งมันเห็นความไม่เที่ยงของตัวเราเห็นความเป็นทุกข์ของร่างกายเห็นความเป็นที่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกอาศัยเป็นแค่ก้อนธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นไม่ต้องมายึดติดว่าเป็นตัวเราของเราได้ เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยทั้งผมและท่านผู้ฟังเนี่ยมีความคิดที่สองอย่างความรู้สึกแบ่งเป็นสองอย่างคือเรื่องของจิตกับเรื่องของกายชีวิตมีองค์ประกอบสองอย่างคือกายกับจิตกายกับจิตรวมเป็นหนึ่งชีวิตเห็นว่าจิตเป็นผู้นำร่างกายจิตเป็นผู้นำกาย จิตเป็นผู้นำกายเป็นผู้ตามนะและใครเป็นผู้นำจิตสติกับปัญญาเป็นผู้นำจิตไปถ้าคนไม่มีสติบีปัญญาเนี่ยอไปจะนำไปร้ไหมความคิดที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสความอยากนำไปแล้วก็ทำตามความอยากมันก็เหน็ดเหนื่อยอยากดูอยากฟังอยากดูฟุตบอลเดึกๆน่าจะนอนก็ต้องดู ความอยากนําไปทําให้ร่างกายต้องมางทีง่วงกระง่วงนะแต่จิตมันอยากดูเพราะถูกความอยากนําไปบางที่โกรธความโกรธที่มันนําจิตเพราะจิตโกรธนะทําให้ร่างกายต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก่ง่ายตายไวหน้าตาไม่สวยตายไปก็ตนกนรกไงเพราะความโกรธมันนําจิตมันไม่ใช้ร่างกายมีโรคภยครัยใกล้เจ็บเบียดเบียนมากมายความโกรธเนี่ยทาให้เกิดความเครียด กวามเครียดทให้เกิดโรคมะเร็งโรคกระเพาะอาหารความดันโรคหัวใจสารพัดอย่าง <c oughs> เพราะจิตมันนํากายแล้วใครนําจิตก็คือไอตัวความโกรธความหลงมันก็นําจิตพาไปหลงทิศหลงทางไปเสพอบายามุขนะอันเนี้ยไม่ใช่สตินํากิเลสนําจิตจิตมันก็ใช้กายพาไปทําความผิดพาไปทําความชั่วไปพูดไม่ดีเนี่ย <c oughs> เพราะกิเลสมันนาจิตนะแต่ต่อมาเรามีสติเป็นผู้นำเนี่ยสติเป็นผู้นำปัญญาก็จะเข้าแทรกช่วยเหลือพากายพาจิตเนี่ยไปทางที่ดีเนี่ยพาไปรักษาศีลพาไปให้ทานพาไปภาวนาสติปัญญาเป็นผู้นำ<ม>เขาจึงบอกว่าอะไรจิตเป็นนายากายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพาย พานาวาชีวิตไปสู่ความรอดปลอดภัยจากความทุกข์ได้มันเข้าใจตัวเองสติสัมมชัญญะพาเราเข้าใจตัวเราเมื่อเข้าใจตัวเราก็เข้าใจคนอื่นด้วยเข้าใจคนอื่นมางทีเข้าใจคนอื่นที่เขาไม่เข้าใจตัวเราด้วยมันทําให้เข้าใจทั้งเราทั้งเขาเลยไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครไม่มีศัตรูกับใครแม้ว่าความเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ไม่มีความแตกแยกขึ้นกันแล้วกัน ความเห็นแตกต่างกันนะแต่เราไม่แตกแยกเราอยู่ด้วยกันได้เกิดความสมัครสมานสามัคม ค, คีได้มันมีการเปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่แต่ก่อนมองชีวิตอย่างเงี้ยมันไร้ค่ามันไม่มีค่าเลยตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราคงจะเป็นคนที่ไร้ค่านอนรอความตายมองไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตจะอยู่ก็อยู่จะตายก็ตาเนี่ยอยู่แบบไม่มีชีวิตชีวา แต่ตอนมาพอปฏิบัติทำแล้วมีสติแล้วเนี่ยเกิดปัญญาเข้าใจตัวเองเปลี่ยนมองชีวิตใหม่เห็นคุณค่าของการใช้ชีวิตเห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เห็นคุณค่าของตัวเองเราสามารถทำประโยชน์ได้ให้กับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ใจมันดีสติสัมัญชัญญะเนี่ยพาจิตพาใจเนี่ย ออกจากความทุกข์ในอย่างยอดเยี่ยมสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญมากให้เราฝึกเอาไว้มันสามารถแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาตัวเองได้อะไรก็ตามที่เรามีความรู้มากมายถ้าความรู้นั้นแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ยยังไม่ดีพอเราต้องมีความรู้แบบแก้ปัญหาตัวเองได้คือแก้ปัญหาแม่ใจเราเป็นทุกข์แม้ว่าอยู่ในสภาพที่อยู่ในความทุกข์อยู่ในสิ่งรอที่มีทุกข์ แต่สามารถทำใจให้ไม่ทุกข์ได้สามารถแก้ปัญหาตัวเองไดน้นั่นล่ะคือเป็นตัวปัญญาเป็นัญญาที่เราควรจะต้องสแสวงหาเอาไว้ก็คือการปฏิบัติธรรมแมใ้ในสภาพร่รางกายที่ไม่ปกติพิเศษกับเขาสักหน่อยแต่ใจเนี่ยไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วร่างกายก็พิการเหมือนเดิมนะไม่ใช่ดีกว่าเดิมแต่ใจมันดีกว่าเดิมมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะการปฏิบัติธรรมนีล่ละ ซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะผมนะทุกๆคนเนี่ยเป็นได้สามารถทำอย่างนี้ก็ได้โดยที่ร่างกายเป็นปกติและใจก็ดีได้ด้วยนี่เรียกว่าถ้าร่างกายเป็นปกติและใจดีด้วยเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่มีชีวิตชีวามีชีวิตที่แท้จริงสมบูรณ์ทั้งกายทั้งใจและมีชีวิตชีวาแต่ถ้าร่างกายดีแต่ใจยังทุกยังเศร้ายังซึมเศร้ายังไม่ทุกอยู่อันนี้เรียกว่ามีชีวิตแต่ไม่มีชีวา ทำงานก็ทําแบบป่างกันตายทําแบบไม่มีจิตจิวญาณนั่นมันค่ามันต่างกันนะใจมันเป็นผู้นานะสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องราวชีวของผมเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนให้ทุกท่านเนี่ยได้ฉุกคิดฉุกคิดแล้วก็บอกต่อตอกันไปทั้งตัวเราเริ่องแต่ตัวแล้วคนอื่นด้วยให้ฉุกคิดเล็งถึงความ ปลอดภัยในการใช้ชีวิตและก็การทํางานสําคัญนะเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องชุกคิดเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชวิตแล้วก็ทํางาน <Yeah. S 1> เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในขณะทํางานท <Yeah. S 1> ุกท่านนี้ก็ต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับพร้อมเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุอยู่แล้วชุกคิดสักหน่อยอุบัติเหตุบางทีเกิดขึ้นจากความประมาทเพราะฉะนั้นเพื่อความไม่ประมาทเราลองมีกฎ กติกาสักนิดหน่อยในการที่จะใช้ชีวิตกับการทํางานอย่างน้อยเราก็ต้องเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยสําสคัญนะกฎเกณฑ์ต่างๆระเบียบต่างๆนี่เขาตั้งเอาไว้อย่างเคร่งครัดเพราะว่ากฎเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุในการทํางานทําไมเขา ต, ตั้งกฎนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเคยมีคนผิดพลาดมาแล้วบางคนผิดพลาดตรงทั้ง ต้องเสียชีวิตบางคนพิการตลอดชีวิตบางคนต้องออกจากงานเสียอนาคตไปเลยก็มีเพราะไม่ได้เคารพกฎกติกาที่โรงงานตั้งเอาไว้สําคัญนะต้องเคารพกติกาอย่างเคร่งครัดอย่างวินัยจราจราวินัยของพระวินัยต่างๆโกต่างสร้างเพราะว่ามีคนผิดมาแล้วสร้างกฎขึ้นมาเพื่อเป็นการใช้ชีวิตแบบไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์เป็นการช่วยผู้ที่ได้ปฏิบัติตาม เราต้องควรจะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุคืออย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงอย่าทำลงไปถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งทําลงไปอย่าเสี่ยงให้มีสติไข่ควรซะก่อนที่จะทําลงไปสติไข่ควรให้ดีนะยทําลงไปแล้วมันเกิดพลาดจะเป็นยังไงผลเสียจะเป็นไงคือเราเพิ่จะมองแต่ผลดีอะเราไม่ได้มองผลเสียถ้ามองผลเสียเราจะไม่กล้าที่จะ ฝ่าฟืนถ้าทีมันพลาดไปแล้วเนี่ยบางทีมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้ผมเนี่ยนะพลาดไปแล้วเนี่ยจะเรียกร่างกายที่เป็นปกติมาเนี่ยไม่ได้ล่ะก็ต้องใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเลยมันไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นต้องตามภาษิตโบ ร, ราณที่กล่าวว่าอะไ ร, ะไรกันไว้ดีกว่าแกแ่แย่จะแก้ไม่ทันเนี่ยสําคัญเนี่ยนะกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเรา ใช้ชีวิตมาจนป่านนี้แล้วถ้าเราได้เผชิญหน้ากับความทุกข์เผชิญหน้ากับปัญหาขอให้เราฝึกที่จะเรียนรู้ฝึกที่จะเรียนรู้ดีกว่าข่ำกลัวรหรือนอนเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดการเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราหรือความทุกข์ที่มีกับเรานั้นมันจะได้สติได้ปัญญาการเรียนรู้แล้วจะได้ปัญญาถ้าเราไปข่ำกลววเป็นทุกข์ หมกบุเกับความทุกข์มันจะขาดทุนทําไมต้องเป็นเราเราไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยบางทีก็ไปโทษโทษ ค, คนนู้นโทษนี้โทษเวรโทษกรรมโทษตัวเองมันมีนการซ้ําเติมให้เราเป็นทุกข์หนักยิงขึ้นหมกบุนอยู่แต่ไออารมณ์ที่เราเศร้าเนี่ยไม่มีวลานจะขาดทุนฝึกที่จะเรียนรู้มันหันกลับมาเรียนรู้วาอ๋อนี่ทุกเกิดจากอะไร สาเหตุมาจากไหนเราจะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรไปปรึกษาไปพูดคุยกับคนที่เรียกเป็นผู้รู้ดีกว่าดีกว่าเรามานอนเป็นทุกข์หรือไปแก้ปัญหาแบบหันเข้าหาใบายามุกอันนั้นเป็นการเพิ่มปัญหาหันเข้าหาใบายาบางคนฆ่าตัวตายบางคนฆ่าคนอื่นด้วยฆ่าคนอื่นก่อนแล้วมาฆ่าตัวเนี่ยทำไมไม่ฆ่าตัวก่อนแล้วไปฆ่าคนอื่น ไปฆ่าเขาอื่นก่อนแล้วมาฆ่าตัวใช่ไหมเอาเปรียบไงฆ่าตัวตายแมวก็ไม่ทานะแล้ว <c oughs> ก็เห็นแมวฆ่าตัวตายนั้นเราอย่าไปทําอย่างนั้นไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกปัญหามีทางออกปัญหามีทางแก้ไขไม่ต้องไปพึ่งอบอายมุกหรือสิ่งเสพติดหันมาเรียนรู้รู้จักอดทนยอมรับแล้วก็ฝึกเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีคิดมองในแง่ที่มัน ออกจากปัญหาซะบ้างอย่าคิดจมอยู่กับปัญหาพูดคุยปรึกษาพระพุทธศาสนาให้หลักวิธีการดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติธรรมคือเจริญสติฝึกเจริญสติในชีวิตประจาวันเป็นการสั่งสมบุญได้ทุกวันเลยไม่ต้องไปที่วัดก็ทำได้ใช่ไถ้ามีโอกาสไปที่วัดก็ไปถ้าไม่มีโอกาสเนี่ยการทางานนี่แหละ ให้มีสติตามรู้ไปเป็นการปฏิบัติทำเก็บเก็บบุญในทุกวันเลยโดยการทําความรู้สึกตัวขณะใช้ชีวิตเป็นการกลับมาดูตัวเรากับการทํางานมันจะเกิดปัญญาเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเห็นเหตุเป็นความทุกข์เห็นตัวปัญหาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราเขาเรียกว่าเห็นสัจธรรมของชีวิตเลยเห็นความไม่เที่ยงเห็นสัจธรรมคือเห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นทุกข์เห็ความที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเราด้วยสายการปฏิบัติธรรมนี่แหละทุกครั้งที่เรามีสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยจิตมันจะเริ่มมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันทำให้ชีวิตดีนะคนที่มองโลดในแง่ดีชีวิตจะดีไม่ถิดว่ามันเริ่มมีความสุขจากใจเวลาเจอปัญหามันเกิดกาลังใจที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะการมองโลกในแง่ดี การมโรดเนแง่ดีใจมันก็ดีถ้าใจดีเนี่ยอะไรก็ดีหลายๆอย่างตามมาเลยกินอาหารก็อร่อยเห็นไหถ้าคนกินใจังหงิดแม้แต่อาหารราคาแพงๆสั่งมานะกินก็แม่อร่อยอะถ้าใจดีเนี่ยอาหารที่ราคาถูกๆเนี่ยมันก็อร่อยได้กินอร่อยนอนหลับใจดีนอนหลับเนี่ย แม้แต่นอนที่นอนราคาถูกๆ ก, ก็หลับได้ที่นอนราคาแพงๆเราสามารถใช้เงินซื้อได้แต่ความสุขจากการนอนหลับเนี่ยเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้นะนั้นต้องเลิกจากใจดีจะกินอิ่มนอนหลับทายคล่องเวลาทำงานก็มีความสุขคนมารอนในแง่ดีเนี่ยใจดีเนี่ยทำงานมีความสุขผมเคยเห็นตัวอย่าง ผมเคยไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขามีร้านอยู่สองร้านร้านฝั่งตรงข้ามไปแล้วก็ทำอาหารร้านหนึ่งแล้วก็ข้ามถนนมาโจงอีกร้านหนึ่งร้านน้นทําร้านน้นขายผมเคยเห็นพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเอาปลาปลาที่ทําสุกแล้วเนี่ยพร้อมที่จะมาเสิร์ฟกับผู้ที่มาทาน่ถือปลาข้ามถนนเนี่ยเขาเดินสายหน้าสายตาเดินไปมาก็เดินสายก็มีความสุขมากทุกครั้งที่ไปทานอาหารร้านต้องเจอคนเนี้ย เอาของใส่ถานแล้วก็เดินสายตัวเหมือนแถวโอ้เนี่ยเขาทํางานอย่างมีความสุขเขาสนุกกับการทํางานซึ่งก็วันหนึ่งก็เดินผ่านหลายเที่ยวมาเออเนี่ยเขาไม่เบื่อไม่เสงียมเพราะใจเขาเนี่ยเขามีความสุขแล้วเรียกเขามาคุยนะเขาคุยอย่างมีสติธรรมดาเขามองการงานเรื่องความสุขเนี่ยสนุกกับการทํางานเขาเขาทาอย่างงั้นต้องดีแต่ไม่ต้องตายเดี๋ยวเขาเขามีความสุขและเขามีสติ เพราะนั้นการใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมเลยทางโลกคือใจเรามีความสุขได้บุญได้กุศลทางธรรมคือเข้าใจสัจธรรมของชีวิตถ้ามีสติเนี่ยมันนำเอาคุณธรรมมามากมายความสามาคัคคีความเมตตากรุณามุติเตาเบกขาความมีน้ำใจให้อภัยไม่เห็นแก่ตัว ไอเ น, นี่ยคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยมาเพราะสติเราติดึงมานนะครับเกิดความสามัคคีในหมู่คณะแม้ว่าเราอาจจะมาจากหลายที่หลายแห่งจิตใจต่างกันถ้าทุกท่านมีสติเนี่ยมันก็บ่กเป็นคนคนเดียวกันเหมือนนเป็นคนคนเดียวกันถ้าทุกคนมีสติใช่อหอลองพิสูจน์ดูลองเอาของทุกคนพิสูจน์นะว่าเราจะเป็นเหมือนคนคนเดียวไหม ขอเวลานิดหนึ่งเอามือที่ไม่ถนัดเอาไว้ข้างหลังอ่าดูสิเหมือนคนคนเดียวกันหรยอเปล่าเอามือที่ไม่ถนัดไปข้างหลังอย่ากังวลว่าใช้ทำอะไรอย่ากังวลใจเย็นจะฝึกความสามารถขี่ที่เป็นคนคนเดียวกันด้วยการมีสติได้ลองกำมือแบมือช้าๆกำมือแบมือช้าๆ เติมความรู้สึกว่าเรากำลังกมือเติมความรู้สึกหนอยว่ า, ากาลังแบมือรู้สึกว่ามือกาลังไหวๆตึงๆทำช้าๆสบายๆไม่ต้องคิดอะไรตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดเป็นเวลาที่เราจะมารู้สึกกับตัวเรากำมือรู้สึกแบมือให้รู้สึกจิตใจที่มันจะล่องรอยไปปล่อยมันไปแล้วเรากลับมารู้สึกว่าเรากาลังกำมือ เวาเรากำลังแบมให้รู้สึกตัวรู้เบาเบารู้เล่นเล่นสบายสบายเนี่ยจิตใจก็อยู่กับนึกกับตัวไม่ล่องลอยไปไหนใจกําลังเป็นบุญเป็นการภาวนาแบบรู้สึกตัวง่ายๆอาทําเร็วๆหน่อยเร็วๆหนะ่อยกับมือแบบมือเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็ว ๆ, เ, วๆเอาชาลงชาลงชาลงเนี่ยเห็น ไ, ไหม เหมือนคนคนเดียวกันเลยทุกคนมีความรู้สึกตัว เ, เนี่ยเงียบเหมือนคนเดียวกันเลยบางคนทำท่าจะหลับโอตาสวา่างมาร่วมรักสามัคคีกันแล้วก็ว่าง่ายเลยนะให้ทำอะไรก็ทำให้กรร ม, มือก็ทำให้แบง ม, มือ <c oughs> ให้เรียใไว้ช้าก็ตามไงไหมถ้าบริการเนี่ยลูกน้องว่าง่ายมากให้ทำอะไรก็ทำอันนี้เป็นเคล็ดลับถ้าทุกคนมีสติในการใช้ชีวิต จิตมันจะไม่ค่อยแตกแยกมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวให้รู้สึกตัว